น, น, นับน้องราระชนะใจคุณพระทุศุภังคคุณพระทรงขอถวายคนฤทธิ์บิดหงพ่อคุณคคคเคียนแล้วก็ขอการหรลวงปูคมครูบาอาจารย์ก็เพื่อนจะทำให้ทุกท่านาจะได้ในธรรมไม่ทีแล้วก็ยติธรรมทุกคนนะนั่งตันต่างสบายนะไม่ต้องกระหน่มือก็ได้นะทางสบาย ขอขออนุญาตว่าเป็นภาตาอีสานดีกว่าขออนุญาตคนคนคนภาคอื่นอ่าอ่าทีอาจจาฟังฟังรถพักแต่แต่ว่าเอาริคนภีสานจะ พ่อวิสารซากัวนะ <c oughs> เป็นภาษาแรก <c oughs> ภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่สองภาษาขีตานี่เป็นภาษาที่สาอ <c oughs> อีกต้องเรียกว่าขออนุทนาครับอาจารย์ตรงนี้ครัวกาศาสนาสงฆ์บัตภูกระทองที่จัดงานปฏิบัติธรรม เนพระครูกอดทองสืบต่อเจตนาล้มของหลวงพ่อขงเขียนะนะครับมีคนาสมงจากทีตลอดจนชาวบานะา้านนะาวบ้านหวานบา้านไต่เลี้ยงเคียนะครัอยาติ ท, ทํามไม่หยัทําทีน ะ, ะเมื่อลปวงบัตสิวธรรมตัดสิวจะเป็นเยื่อที่สืบต่อเจตนาล้มของหลวงพ่องเขี้ยนนะ เพราะว่ามาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ที่สำคัญมากๆกเนาะที่หลวงพอ่อฝากจะเป็นมรดกให้กับพวกเขาจะจำได้ที่หลวงพ่อบอกว่าคันทนงพ่อเสียเนาะทานพ่อเสียอ่าท่ามีค้นมาทำบุญงานหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเอา เอาปัจจัยที่เปินท่านบูญนั่นเอาไว้ส่วนของวัดเอาไว้จัดงานปฏิบัติธรรมนะฮะเอาใส่ใส่ยันยี่พนะอว่าเพียงแ่หนนะพ่อพวงว่าเดี๋ยวทันทอดงานปฏิบัติธรรมนะฮะวีปัจจัยใส่นะปฏิบัติธรรมหลวพอยากให้เอานะปัจจัยเต่วนี้ท่านมีคนถวายนะในงานร่างต่างของพ่อคร เออาหมอไตงานปฏิบัตบิธรรมวัดพุกดท้องนี่แห ะ, ะแสดงว่าหลวงพ่อก็อยากดีให้งานปฏิบัตบิธรรมวัดพุกดท้องนี่โยนโลนะยิบเป็นประจำทุกปีนะ ถ, ถือว่าหลวงพ่อก็เป็นงานที่หลวงพ่ อ, อยากให้พวกเขาสือพ่อเทวนาท้องตรงนี้นทำท่านาสมก็ดีเลยว่าญาติพักก็ดีที่นะ ตอพึ่งปฏิบัติธรรมในทางหนีก็ถือว่าปฏิบัติธรรมเจดนะล้มคมหลวงพ่อนะ อ, อันนี้ก็เลยอนุโมทนานฮเีอย่างตรมาเองก็ก็เลยเลื่ถึงนี่แหละเรื่องการปฏิบัติธรรมับหลวงพอก็ได้สอนที่ื่นบ้างการเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมานี่ก็สอนยิ้วปากซองมีคนจีนมาปฏิบัติธรรม นามีิากองดคนก็เคยรู้จักธรรมะเครู้จักพุทธศาสนามูส่วนมาสมาบางคนก็เคยปฏิบัติแน่ด้วยแต่ไดพบวามอัศจรรย์ใจของธรรมะนี่แหละบางคนแม่บครู้จักธรรมะมักรเคยรู้จักพุทธศาสนามังกร แต่พอได้มาปฏิบัติแบบยกนิ้ต่างแขวงวัดที่พวกเขาไเรียกไงล่ะเพื่นติดใจอีกอยากมาอีกเนี่ยอยากมาอีกถ้าธรรมะภาษาเราเป็นยังไม่ค่อยอยากมาอีกภาษาไทยเรียกเมคีเป็นแพร่เพิ่นจะเพ um. ิ่นจะบอกเพิ่นก็ตอบเลยว่าแต่ก่อนสงสใส อ่แต่พอคลิกมือไปมันจะทำท่าคิดมือแต่พอแก่คลิกมือซื่อมันเปิดความสงสัยก็ได้แต่ก่อนจะสงสัยนั่นสงสัยนี่ะมาปฏิบัติธรรมให้พิมพ์ยังชีวิตเมื่อเห็นมีทุกข์อิมพ์ยังก็แสดงว่าชีวิตเคนบ่มีปัญหาชีวิตมีความสุขบ่มีความทุกข์แต่พอทํามาเบาจะเรื่องว่าชีพนั้นเป็นทุกข์ เ้าส้กสงสัยสงสัยก็ว่าปฏิบัติธรรมเพียงไหนร่างกายเมื่อยงงงงงงยังแต่ทางเทียมมันบ่เยได้บ่แต่งักบ่กันบ่เยรู้เรืองแต่เพิ่ก็พอลิบมืออ้คอสงสัยไม่เสียใจเนะเพงนนะเออเพิ่จะรู้สึกก็มีแหละเออมันจะดีกันนะได้คาตอบตรงนี้นะถ้าเป็นแบบเอออนิสงส์วาม ของการปฏิบัติธรรมเนาะคือแค่ต่างความรู้สึกโตนะความสงสัยมันจะจบไปถ้าได้คําตอบโดยที่เราต้องให้พักต่อเราปฏิบัติธรรมเพื่ออื่นอย่างแซ่จะผอมด้คําตอบเองอ๋อมันเป็นแบบนี้เนาะความรู้สึกโตนะให้บออันเขาดูจากความรู้สึกโตแท้แท้เนี่ยอ๋อ อันนี้มันเป็นคำตอบนะที่นะทสำคัญในการปฏิบัติังอีริสเนี่ยคือเค็ดเช่ในใดเี็รู้สึกโตนะสํารัมีสติสํารรู้สึกโตเนี่ยเป็นจุงแจสาคัญนะเขาเข่าบ้านะเขาติดบ้านให้เขาร็กจูแจขันกุงแจเขาเสียเนี่ยเขาบ้านก็ได้เป็นแเา <c oughs> มีรถนะว่ามีรถยางีมีน้ามันางดีเครื่องก็ใช้ได้ได ลื้อกุญแจไปเมื่อมีกุญแจเปิดรถเข้าไปก็ได้สตาร์เทเครื่องเขบาไได้รถกระบะมีคาแต่เนี่ยแหละธรรมะทั้งหลายที่พี่เห็นธรรมะทั้งหลาย ค, ค่ายๆเปลี่ยนเหมือนบ้านเปลียนเหมือนรถนะเขาดูธรรมะนะเเยเขาจะยิงยีฟังมาแต่ถ้าเขาไม่มีกุญแจรู้สึกโตเข้าไปนะเขาว่พ่อธรรมะใช่ไหมเขามีธรรมะเลย มีธรรมะจากการได้ยินได้ฟังนะแต่เขาคนี้ความรู้สึกโตเนี่ยเข้าบ้านก็ได้ตางลตก็ได้ไปก็เป็นไปต่อก็ได้นะอันนี้แหละสำคัญที่สุดเลยนะท่านเขามีความรู้สึกโตเนี่ยมีคุญแจเอาไว้ไขนะไขจิตใจของเข า, าจิตใจของเขาเนี่ยมันนี้เปิดไม่ได้เปิดได้เพราะว่าเขาเอาความรู้สึกโตเนี่ยมาเบิ่ง มาเบิ่งมาแย่งเบิ่งกันโอ้น่ะร่างกายมันเป็นยังสี่เนาะน่ะเขาก็กลับมาเบิ่งเบิ่งร่างกายเขาก็เข้าใจร่างกายเขาฟ้งรุกตุมาเบิ่งจิตใจเขาก็เข้าใจจิตใจของเจ้าของนะบางคนนีความทุกข์นะมีนักปฏิบัติธรรมคนนึงคนสี่คนบอกว่าทุกข์แล้วเนี่ยเงินก็มีหลายเรืองมีบ่อยสัตของเจ้าของนะ เงินทองยังบว บ, บเดืดร้อนแต่ทุกหลายชีวิตมันทุกหลายทุกย้อนอย่างมีปัญหาจะนีอ่ะนะลูกก็บสบายนะที่ทํางานจะอ่าบริวายกับลูก น, นอกก็ได้ทั้งใจกับทุกนะอย่ากนั้นปฏิบัติทั้งเพื่อแก้ทุกเพท่าน น, ะ, นะแต่อ่าพอปฏิบัติทั้งไปเรื่อยๆมันเขียนว่าเช่ไไร เห็นว่าที่จริงเนี่ยจะของเนี่ยแหละคิดว่าจะขอเกงคิดว่าจะของดีคิดว่าจะของดื้แต่เลยไปโทษในคนอื่นยังเนกันย่อแต่ยังนะแม่บ้านนะเพชรกับเขานะกินเราบอกว่าเราแทรกเราแทรกครับเอาไปกินโทดนะก็กีนบ่านแบบกันเออกินเพชรไหมตื้อไหมแบบกั้นอ แต่พอเขามาปฏิบ <virtually> ัต <cast acknowledge Ralph honestly> ิทั้งสามมาเห็นโอ้ยอาดีพอดีกับเข่าก็แทบได้ใจมันพอดีใจมันดีเนาะใจมันเครียดใจนั้นแบบเออบวี้พรมสุกนะเพราะใจมันพดีกินเข่าก็ได้พอดีก็เลยเกัดโทษแล้วคนทิ้งให้ทิ้งพอดีเอาไปทีพอเขามาเห็นไอ้ของโอ้ใจเจ้าของแม่พอดีใจพอดีมันก็เลยทิ้งให้ มองยั้งตื่นแต่เลยพอดีแต่เลไปโทษคนอื่นว่าคนอื่นพอดีคนอื่นบ่นนบนนบถือเจ้าของถืดเพราะเขามาเห็นเจ้าของโอ้เจ้าของเลยแหละมันก็นี้มองพอดีเนาะนะมันจะพอเห็นแต่ น, นโอ้นี่แหละมันจะได้เขาใจคน อ, อื่นอันที่เขาเกนะี่ยวเนี่ยพี่ก็ทุกเนองพี่ น, อน้องนะมายืมเงินยืมทอง่นก็ให้ มือมันงืนเงินทองเกิดบริษักจะหายจหาไปแล้วเอาก็ว่าจคพร้อมดีหายไปแล้วจะทำท่ารึว้างก็ได้ยืนแม่้อเครียดได้ก็สมจะบอกบอคอใจเขาแล้วแต่สมใสเงี้ยเขาเป็นแนนซี่นะเป็ยเงได้เป็นแนนซี่ก็อยากเป็นแนนซี่อันมาต้อบอกไปแล้ว เขาเข่าใจเขามีง่ายตัวเห้เขาเข่าใจเขาได้เพราะเป็นภาษาไทยไงการเท้าเข่าใจเขายังง่ายใหุ้ผลยิ่งเข่าใจเขามันง่ายการเทาเข่าใจเขาเนี่ยเขาก็ทุกข์การเท้าเขาคิดแต่ว่าเป็นยไงเขาเพราเข่าใจเขาเนี่ยมันทุกข์แม่นบอกกันไม่หมดโยมแม่นเนาะคนจีนจะว่าอย่างที่คนก็โอ้แม่นจริง คนไทยที่เป็นี่ชายนน่ะออืมแันเขาเคยคิดเออเป็นอย่างเขาบ่กเขาใจเขาเป็นอย่างเขาที่แจมสั้นไงมันสงสยัยเรื่ยอยๆ่ไ ด, ได้คาตอบก็เลยทุกก็เลยเครียด น, นะแต่พอแค่มาเขาไปเออคฟนาาเาขเขาใจเขาเห็ง่ายตัวเ็กแนเขาน่ะเขาใจเขาเนี่ยตุกโอ้หน้าตาซื่นแตมายิ้มได้แล้วัช่เออยิ้ม แต่ก่อนอย่หนึ่งคนเนครียด น, นะมีเงินทองหลายแต่ชีวิตไม่มีความสุขนะพอเข้าใจว่าเออจริงความทุกข์นี่คือสิ่งที่เอาแบกโอซือสิ่งที่เอาย็ดกินไม่เห็นแก้าของครัไม่เห็นเจ้า ข, นะของก็เลยปลดความทุกข์ได้อันเนี้ยคือความรู้สึกโตเนาะเอาพยามนะเก็บแห่รู้สึกโต ม, มันได้วิธีใดรู้สึกตโตนะเงยนละเอาเค็บ ให้มันดูแค่ๆเนี้ยนะอย่าอย่ายกเต็มมืออย่ายางคือตั้ให้ความรู้สึกต่อไปนะนะมันเปลี่ยนทั้งการเบิ้งไม่เปลี่ยนทั้งการดูสึกสัมผัสเนี่ยแบบเอาเบิ้งร่างกายเลยน้ำร่วมนะแต่มันก็ดูสึกตรงที่มันสัมผัสเนาะยกไปมันมีการไหวอ่าเรื่องให้ดูสึกกระทบลงมามีการกระทบให้ดูสึกแบบงานกันทุกัน ยามไปตั้งหน้ารู้สึกถึงการไว้รู้สึกถึงการกระทบเนะี่ยรู้สึกให้กระทักนะแล้วก็รู้สึกในเป็นที่ได้จำหวัเนาะนะรู้แล้วก็ว่างนะแล้วก็รู้หม่แล้วก็วางแล้วก็รู้ไม่ไมว่างเห็นมันรู้สึกทีละเที่ยแล้วก็วางนะเป็นความรู้สึกโต ที่รับขั้งที่รับขั้งเนี่ยอันเนี้ยเป็นการขั้งลูกเป็นการขั้งวานเนีบางคนตั้งใจใหญ่ได้ความรู้สึกโตหลายโทษมันดูเบาหวางค่พบเ บ, บาวางความดูมันจะเปลจ้องโทษนะเปี่ยนจ้องเ ป, งเปก็คพร้อมเออไอแบบนี้มันดูถ้าต้องเห็นมันดูแบบนี้ตลอดนะไมนไปค่อยๆไปเปลีคล้องมันโทษเนาะ ท่นผู้ใหญปฏิบัติแล้วมันเออรู้สึกว่าเขาแบบต้องปกครองตัวลูกนะต้องรักษาตัวลูกนี่บางทีเขาอาจจะเพ่ยงเขาไง ห, หลายโทษนะหรือว่าเขาอยากดีดูอยากดีเห็นอยากดีได้หลายโพดเขาก็เลยเพ็นจ้องนะให้เขารููึกโตนอกจากเออปล่อยมนันนะปล่อยมันให้มันดูที่รักทให้เกิดความรู้นะจ๊ดับตัวลูกนั่นนะจ๊ะลูกหม่ จริงบอกใว่ตั้งใจแบบเราได้ใเขาดูทีละชั่งดูทีละชั่งดูทีละชั่งเนี่ยพอเลยอนี่พราะการรู้สึกโตทีละชั่งเนี่ยมันว่าทุกข์เลยบอกะวัท่านเขรู้สึกโตตอนนี้มันทุกข์บอกว่าทุกเนาะเออนัออ่นแหละเนี่ยไม่ทุกข์ตอนไหนกันมาก็อดี่ยอ้าวมีคนถามนีอ้า นรู้สึกตอวแล้มีคนทุกบอดออเขาก็ตอบวทุกที่กับย้อมเนี่ยหละแต่บางคนก็คิดมากอ๋อคณะนักโตษก็ไปเจ็บใครด้ดวยก็ทุกข์มือคนัคตต่อไปมีปัญหากับไปทางานมีปัญหายิบทุกป์ดีนะทํานก็ถามอ๋อแต่มันต่อนี่มันทุกข์บอตอนนี้มัทุกข์ไม่บอดออคณะนักมาต่อ น, นี้บอ เนี่ย่มาด้แม่บ่อืมเอ้าฉันความทุกข์มันมีในอนาคตบ่มีบ่อ้าวมันเนี่ยเกิดเนาะแม่บ่าออ่าาาบ่บ่บ่บ่บ้บ่บ่บ่บิบ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่ม่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่่บ่บบ่บ่บ่บ่บ่่บ มันดับ ก, ก็ต้องดับอตอนนี้ไม่บอกถ้ามันทุกตอนนี้ก็ต้องดับตอนนี้ไม่บอกว่าไม่บอกนี่คือดับคือดับต้องดับตอนนี้มันทุกข์เช like. ่นสมมติทุกเรื่องอดีตมันทุกข์แคไหนไม่บอกพอไปคิดเรื่องอดีตอ่าคิดเรื่องอดีตแล้วเขาก็เลยทุกใจถามว่ามันทุกใจตอนอดีตหรือทุกข์ใจตอนนี้มันทุกข์ใจตอนนี้ไม่บอกเพราะว่าเขาเอา เขาเดคิดเดือนตเก้าที่เขาวางเขาที่เขาเคยเสียใจมาคิดไม่คิดตอนนี้มันก็ทุกตอนนี้ไม่หมดถ้าคิดตอนนี้ทุกตอนนี้ก็ต้องดับตอนนี้ทุกต่อนนี้ว่าไม่ทุกอดีเนียเป็นทุกปัจจุบันไม่หมดลู้สึกย์โตก็ดับทุกที่ปัจจุบันนี่ไม่หมดหรือว่าบางที่เขาก็คิดย่างตายนี่บอคิดย่างตายคิดย่างเจ็บอคิดป ย่านอนาคตคิดไปกังวลเรืออ่องอนาคตถามว่าตอนคิดย่านตายคิดย่านเจ็บเนี่ยถ้าเป็นควาทุกข์ในอนาคตหรือทุกข์ตอนนี้ <c oughs> ทุกตอนนี้เนาะไม่ไหวเนี่ยว่าตายเลยนะเนี่ยว่าถ้าเป็นทุกข์ที่เขาดึงเขาดึงมานะเขาดึงเขาคิดแล้วก็ทุกข์ตอนนี้แล้วน้าที่จริงมาว่าทุกข์ในอดีตบนนี ทุกในอดีตทุกกรรมมีมีแต่ทุกในปัจจุบันนช่ไหมครับนทุกในปัจจุบันที่ยังใดเนี่ยคิดมื้อกระดับทุกแล้วทุกอ่าว่าทุกแล้วเนี่ยแหละมันแก้ทุกได้ดีเลยนะแก้ทุกที่ปัจจุบันเพราะทุกในอดีตว่มีทุกขณะก็จะมีมีเพราะเขาหลงหลงไปคิดหลงไปคิดก็ได้เป็นทุกแต่ขันเขากลับมารู้สึกโต ขันดับทุกข์เลยตอนนี้แหละการปฏิบัติธรรมเนาะกลับมาอยู่กับดูสุดโตในปฏิบัติใจได้น่าจะดับทุกข์ตอนนี้แหละนะขั้นดับทุกข์ตอนนี้ได้นะนาทีขักมณะเกิดทุกข์ไหมเขาก็ดับไหมก็ดับไปเรื่อยนะดับไปเรื่อยนะมันจะเห็ุในเขาจะดับทุกข์ได้ทีลักษณะทีลักษณะนะจนถ้งท่านตอนใดเขาเจ็บ ตอนในเขาตายนะมันจะเป็นเครื่องยูนะเป็นเครื่องยูในการยูกับความเจ็บใขรได้ป่วยได้ยังเดือนที่แล้วนะไปไปยามไม่ย้อยหน่อยนะแม่วิชัยเนี่ยนอนยูไอซียูโรงพยาบาลเชฟปุ้งถ้าเห็นเล้าเนี่ยนนอนคลิกมือเนี่ยใส่ทอหายใจไหมว่าหายใจไม่ได้เป็นโรคปอดนะ แต่นอนทิพน nah yeah, ja, ี้มาว่าเราได้ะติไล่หลายนะนอทิพนึ <T> ้แต่ก็ได้อดีกกังวลดมโลภไฟไขเจ็บแต่พอนอนทิพนู้รู้สึกว่าจิตเริ่มนิ่งดีนะแต่พอรู้ออกมาจากล้มบังแล้วเป็นยังไงนะได้ตอนยูอได้ตอนยูอตอนนั่นเตรียมตัวเตรียมตัวตายชักตอนนั่นเตรียมตัวตายบ่าเอาเี้ยแล้วะเอาได้ความรู้สึกตัวทั้เดียวเนี่ยนะ แต่พอแอ้วว่าเอายังงเลยเอาแต่ความรู้สึกโตจริงๆมันนิ่งเสียนก็สังเกตนะมันนิ่งปล่อยวางได้น่พอดูกลับมามันเอาอยู่บ่ะแต่ถ้าเห็นเนี่ยความรู้สึกโตมันซอยได้ดีมากซอยอย่างเขาเจ็บหนักหนักอย่างเขาบ็รู้ไว้เป็นหรือตายให้เขามีทิดขึ้นอีกเนี่ยให้เขามหมั่นใจเต็มที่จริงๆหลวงพอสอน เขาเอามาเก็บเขาเอามาใส่มันจะเกิดโผฏเสพเขาเอเนาะอืมการเขาโบเก็บมันจะรอเกิดผลฏการเขาเก็บมันจะเกิดผโผฏนี่มาว่าก็ได้เห็นไม่น้อยจะเกิดฝนเรื่องเสียไปยางกล้วยอยืดลงพยาบาลคนอึ้งอะไรต่าก็ไปิสอนอย่างนี้เลยเนาะสอนเก็บสั่งสติสอนจิกมือสอนยกมือน่ะการซอยคนเนาะ เขาก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะญาติโยมจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะสาเหตุส้อยกันรรักษาจริงที่งหลวงพ่อสอนเท้องได้ละเนาะส้อยจันรักษาอย่างอะไรให้เขาจะเดินได้ใจขอวงเ่านะเพราะงั้นฝึกไปแล้วจะหลวงพ่อบอกเลวงสอนหลวงา่อแนะนพื้นดินได้เขาบอกให้เพิ่นเรีมีสติจับมาเนาะน่ะให้บอกเพิ่นเลยนะมันทุกตอนไหนท่านทุกตอนนี้กระดาษตอนนี้นะอ่า บอกอย่างนี้นะเขาก็แก้กลับมาเบิ้งนะกลับมาเบิ้งดุดุกลับมาเบิงดุดุเนะแล้จะเค็ดไปเรื่อยๆนะอย่าไปอยากได้อีกอย่งเนาะนะเค็ดไปอย่าไปอยากว่าอย่ากเป็นนั่นเป็นนี่นะดูนั่นดูนี่เขาก็แก้ให้มิสตินะดูทั้งกายดูทั้งใจนะมันี้เกิดอีกอย่งนะมันจะเกิดความทับผูตอนนี้นะล่ะ นะตำแหน่งที่เธอเลยนะว่าต้องเดชะว่าเขาเป็นพระละหันตอนใดว่ต้องเดคิดว่าเขา้ไปนิพพ า, านทราบใดนะเขาต้องถึงนิพพานตอนนี้นะคืองความูทุกตอนนีนะ้เนีนะ่ยคือนิพพานนคือการหยุดการคิดปรุงแต่งเนะนี่ยคือนิพพานครับพราะตอนนี้เลยนะนิพพานปั จ, จโยโหตุนะว่าต้องให้ถึงนิพพานในอนาคตแตนะ่การ เบื้องหน้าจะเบื้องหน้าทราบเลเนาะ <c oughs> ต้องเาถึงทราบนี้นะแต่ก็เ่ราะเรงทราบนี้ตอนตายเด้ยเอาทราบนี้ก็เอาตอนนี้นะพี่จริงตอนเนี้ยําขันที่สุดใจเขาพ้นทุกขก็ใจตอนนี้ใจเขาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิดบานก็ตอนนี้เข็ดใตนน้เด็ๆเนาะอย่างนี้โยมภากันเข็ด น, นะก็ขอสุดท้ายก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านเนาะได้ ในมีสติใมีความรู้สึกโตนะได้เป็นที่พึ่งทั้งใจของเขาได้เป็นกุญแจไขตปสู้ความทุกข์นะในตอนนี้ทุกคนทุกท่านด้วยเถิเป็นพร